อันสาธาชนมุตรบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพบกมันดาทั้งหลายในเรื่องราวของพระเตมีตามเดิมความจริงเรื่องของชาดกในยาวมากเป็นอันว่าวันก่อนในพูดจบมาถึงตอนเทนพระราชเทวีคือพระราชมานดาของเตมีใบ ขอให้พระเตมีได้มีโอกาสได้เป็นพระราชาสเกตวันเป็นอันว่าพระราชาสามาวาสวีคือพระเจ้าก า, กากสิกไร่เขาทรงยอมตกลงจึงทรงให้ตกแต่งร่างกายของพระเตมีในเครื่องของกษัตริย์แล้วให้เสด็จเรียบนิคนคอนประกาศท่านประชาชนพลเมืองทราบทัอวคนว่าบัดนี้พระเตมีได้เป็นกษัตริย์ แม้ใครๆจะทาอย่างไรอา ต, ตีมีก็ยังทําเฉยเรียกครพระราชาเฉยพระราชาเอานี่ดีหกดกก่ก็ไม่ได้ยินร่างกายก็ไม่เคลื่อนไหวพูดก็ไม่พูดอย่างนี้เขาเรียกราชาอะไรเนอเป็นราชาพระพุทธโลกนั่นเองแล้วก็ต่างกันโยนิดที่ยังกินอะไรได้ยังหายใจได้พระพุทธโลกทำไมหายใจ เป็นนั้นว่าการเคลื่อนไหวเข า, าเตมีไม่มีมีสภาพมันก็แต่งคุ่นเขาวางไว้ตรงไหนราชาก็อยู่ตรงนั้นว่า ง, ง่ายสอนง่ายเอ๋จะสอนไม่ง่ายแต่วางง่ายใครวางตรงไหนก็ทําแล้วก็ไม่สนใจกับใครทั้งหมดพ่อครบเจ็ดวันพรานางจันเทวีก็ทรงกันแสงก็ครบกำหนดที่สัญญาไว้กับพระราชาแล้ว ราชาจึงให้มอบพระเตมีกุ ม, มารให้กับ น, นาสุ น, น, น, น, น, น, ส น, นันท์ให้แก่นายสุนันทาสารธีเอาใส่รถไปฝังเสียที่ประชาพีดิภายนอกเมืองอันนี้ขอเล่า ล, ะ ล, ะละัดๆเรื่องจะได้ไปเร็วๆนายสุ น, นันท์ก็พระเตมีใส่ท้ายรถขับออกจากนอกเมืองไปที่ประชาพีดิภ์แต่เขาก็ไม่รู้ ถ้าเขว่าเขาไม่รู้ก็ไม่ได้เขารู้แต่ต่างท่านบอกว่าเขาหารู้ไม่ว่าทางที่จะไปนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ทางไปไปราชากิดิแต่ว่าเป็นทางไปไปแห่งหนึ่งต่างหากเอาละสิกลางวันแท้ๆแกดันหลงทางเช่นได้ในทางเคยไปนี่ไปผิดทางตามพระบาลีที่กล่าวว่าพร่อาศัยเทวดาดนใจ ไอ้เรื่องที่ให้คนรู้จักทางผิดทางนี่ยมันไม่มีไอ้ทางออกทางตะวันตกก็ได้ดันไปทิแต่วันออกรถตีเขยะใส่ศพก็แมวรถใส่ศพดันเอารถเอารถมงคนคือรถเรียบเพร่อขอมพระราชาใส่ไปนี่มันก็ผิดเรื่องแล้วถ้าเรื่องคนจะเผอขนาดนั้นไม่มีเพราเผยขนาดนั้นดีไม่ดีหัวขาดก็ต้องยกเรื่องนี้ให้แกทิวดาไป เดีย๋ยวไม่ใครก็ใครถ้าร้องตะโกนถามก็มาบอกท่านรู้จักเทวดาหรือถ้าถามมาอย่างนั้นก็ต้องตอบว่ารู้จักถา้าถามว่าเทวดารูปร่างเป็นยังไงก็ต้องตอบว่าเทวดาก็รูปร่างเหมือนเทวดาแล้วก็เลยหมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าพูดกันตามพระบาลีว่าความผิดพลาดของนายสุนันทาสารถี เริ่มมาตั้งแต่เริ่มเทียมรถมาแล้วเริ่มมาอานั้นคือแทนที่จะรถใ ส, ส่ศพสําหรับใ ส, สบ่ศพมาใส่พระเตมีเพราะจะไปประชานี่ยกลับเอารถมองคนไปมาคือราชรถของบรราชาที่เรียกพนุนครรัชเสด็จไปไหนเอามาแล้วก็เทียมในการเทียมมา ก, ก็เแทนที่จะมาตัวเห้าเย่ที่เขาสาหรับจวงศพ กลับเอาม้าที่ดีที่สุดเป็นม้าสินทบมาเทียมรถเป็นอันว่าผิดพลาดไปหมดเมื่อเวลารับพระเตมีแล้วก็คิดว่าจะขับรถไปประชาพิดิตรเจ้าประชาพิดิบเนี่ยมันอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองสาสาวะของเมืองในสารถีคนดีกลับขับรถมาทางทิศตะวันออกแล้วมันจะไปเจอประชาอะไรยังไงเนาะ นี่ถ้าไป เ, เรื่องของเทวดานะก็ยุง่งจึงเปรยนว่าในสุนันทสารถีทำงานผิดพลาดตลอดอย่างนี้หัวขาดถ้าผิดด้วยเจตนานในหัวขาดแล้วก็อย่าลืมว่าพระเตมีก็คือพระพุทธเจ้าท่านสวยพระชาติเป็นพระเตมีแต่การผิดพลาดนี้มีความดีมคนแปลหนังสือเนี่ยแปลแย่ การผิดพลาดนี้เป็นเพราะอาศัยเป็นส่วนดีของพระเตมีคือเมื่อถึงป่านอกเมืองซึ่งนายสุ น, นันทะคิดว่าเป็นป่าช้าพีดิบเขาก็หยุดหยุดเล็บลดแล้วก็หยิบจอบหยิบเสียมเพื่อจะไปขุดหลุมฝังศพพระเตมีใช่ไหม แต่ว่าไอ้เวลาที่เขาหยิบจอบหยิบเสียมไปหูเขายังแววแวแวคำสั่งพระบราชาที่พระบาราชาสั่งมาว่าเจ้าสุนันทะเจ้าสุนันลูกของข้าคนนี้มันเป็นกาเลคณีนะเองจงเอาปปรบชาแล้วก็ขุดหลุมสี่เหลี่ยมให้ลึกแล้วก็จงเอาจอบทุบหัวมันซิก่อน เราจริงอยากฝังมันในหลุมช่วยมันหน่อยอย่าให้มันต้องไปถูกฝังทั้งเป็นเลยมันจะลาบากดูสินี่ความรักลูกของพ่อแนตะ่ความจริงรักจะมีอยู่ความรักจะมีอยู่แต่ที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าในฐานะที่เป็นกรรษัตริย์ถ้าลูกมีเป็นสัญญาพิพิลาชมาอย่างนั้นเขาถือเป็นการิกิ น, นีท่าท่านที่จะรักลูกเต็มที่ก็ต้องตามใจโหน คนเลือห้อยก็ไม่รู้หน้ากเจะห้อยเป็นอาวาในขณะที่ในสารถีกําลังขดหลุมอยู่ไม่ไกลาจากรถนั้นพระเจมีก็นั่งคิดว่าเอนี่เขาจะเอาเรามาฝังเนี่นีตอนนี้ถ้าจะไม่เป็นเรื่องใช่แล้วนี่วิ็นการหนึ่งแล้วก็ออกมานอกเมืองเรานี่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมาตั้งแต่ยุก้าปี แร่ถึงอายุสิบหกปีไอ้ร่างกายของเรานี่มันจะใช้ได้หรือไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ถูกฝังตายแน่วันนี้ถ้าจะต้องลองใช้สักนิดหนึง่งก็ทรงกายลุกขึ้นขยับขยับทีแรกก็ขยับแขนขยับขาดึงก้าย้ายเยื้แขนเยืดขขาเยืะเอ็มก็นกคล่องดีน ไม่ได้ใช้มาที่ในระยะเวลาตั้งถึงอญญายุที่หกปีมาได้ใช้มันก็คล่องเมื่อขยับขยใช้ขยับขาสลัดหน้าสลัดหลังดินแลว้วก็ลุกลุกจากรถแลว้กวก็ลงเดินเดินไปเดินมาอยู่ข้างๆรถพรอดสูนนานสารดถีนี่แกก็ไม่ได้มองดูก็ตั้งใจขุดหลุมให้มันเสร็จคอยคิดว่าเออกดคนเสร็จแล้เดี๋ยวกลับไป กดล่ดดนเสร็จแั้วเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกับเมียที่บ้านดีกว่าให้เรื่องบา่บาวบา่บาวบอแบบนี้ไม่น่าจะมาใช้กันเลยจะต้องให้ตีเสก่อนลูกชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นใบกันตงเยอะแยะไปไม่เห็นมีใครเขาฝังนี่พระราชามีลูกเป็นใบเป็นง่อยให้ฝังมันแปลกแกก็นั่งคิดก็ไปตามเรื่องขุดไปแกก็ ค, คิดไปทํางานคนเดียวนี่ก็ทำมาทรงเดชไม่มีใครได้รับ เป็นอันว่าพระเตมีท่านเดินไปเดินมาคางรถแก ก, ก็มาดิมองตั้งหน้าตั้งตาคุดไปตามเรื่องของแกอันนี้เมื่อพระเตมีเดินไปเดินมาลายเห็นว่าเอน่ร่างกายยังดีอยู่นมือเท้าก็ใช้ได้ไม่ห้อยไม่เปียกไม่เสียขาเรียลแรงก็ยังดีทุกอย่างถ้ามาสงสัยนะไอแรงเดินมีแต่แรงที่จะใช้งานจะมีและไม่มี ถ้ายังไงก็ลองทดลองว่าไอ้แรงของเรานี้นอกจากจะเดินะมันมีแน่แต่ใช้งานยัง่นจะมีไหมก็ทดลองทดลองแบบไห น, นลองกําลังจับรถยกขึ้นเมื่อยกจับรถยกขึ้นแล้วนีมันก็เบานี่รถยกขึ้นแล้วมันก็เบาทางนยกขึ้นแล้วมันก็เบาทางนั้นควงรถ เอารถควงเล่นจับรถหมุนเดี๋ยวหมุนควงข้างบนมันอยู่หงบางลังมอควงหมุนไปมุนมาก็ทำเป็นได้คล้ายๆกับยกยกไปรถเบาๆเามื่อรถตุกตาไม่เห็นว่าร่างกายก็ดีกำลังบางช้าก็ดียิ่งคิดในใจว่าเจ้าสุ น, น, นันทนี้ถ้าเราจะเป็นคนใจร้ายสักนิดแกกำลังขุดหลุมฝังเรา ถ้าหากว่าแ่ถ้าเราจะลดฝ่ายใจใก็ตายจะสู้เราไม่ได้แต่ถ้าว่าไม่เป็นไรเธอไม่ได้ทดําำในเจตนาร้ายของเธอนี่พ่อเราใช้มาอามายเข้าไปชมกันคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าต้องทําพ่อเราก็ต้องทําเราก็ไม่ควรจะไปโกรธเธอพระ อ, องค์ก็ไม่โกรธจิ่งคิดว่าเอ่นนายสุนันท์เขาก้มหน้าก้มตาขุดหลุมอยู่ แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเดินได้ยกรถได้ถ้ายัางไงดีก็ตัดชินใจเดินเข้าไปหาในสุนันในสุนันสระถีขุดเลน่นไม่สนใจกับการเดินเข้าไปคาว่าคาว่าเตมีแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก้มหน้าก้มตาขุดลุมเรื่อยไปตั้งใจคิดว่าจะฟัง ราชวรมันแล้วจะไปหาลูกหาเมียจิตใจจดจอยอย่างนั้นแม้พระเตมีเดินเข้าไปยืนกใกล้ๆเขา ย, ยังไม่รู้แต่ก็ตกใจเมื่อดีินเ ส, เสียงถามเสียงถาวานี่ท่านสรารทีทัดแท่งนขุดหลุมสี่เหลี่ยมทำทำอะไรกันจ๊ะพอได้ยินเสียงก็กตกใจเอ๊ะไอ้ปอาช้าผีดิบนี่ หน้ากลัวผีมันจะมาถามเจียงได้หันไปมองมองดูท่านก็จาไม่ได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าพระเตมีนี่ท่านไปง่อยท่านลุกไม่ได้ท่านพูดไม่ได้ท่านทำอะไรไม่ได้ก็เลยคิดว่าหน้าก็จะเป็นคนอื่นเพราะรูปร่างท่าทางที่เห็นเป็นส ง, ง่าผ่าเผยเป็นคนแข็งแรง ก็คิดว่าคงจะเป็นคนเดินทางผ่านมาเห็นตนกำลังขุดหลุมก็แวะเข้ามาสอบถามดูกำลังนี่ตามความนึกสึกของเขาเมื่อได้ยินเทียมเสียงถามอย่างนั้นแกก็ตอบแบบหุ้นหุนว่าขุดหลุมฝังคนจ้ะแกเตมีก็ถามว่าท่านสาธีท่านอยากฝังใครกันล่ะ นายสุนันทสถีแต่ว่านี่ฉันจะฝังลูกพระเจ้าแผนดินใน่ใหญ่โตซะด้วยท่านพระเตมีก็ถามต่อไปว่าท่านนายสถีท่านจะฝังทำไมกันเล่าเป็นลูกของพระมหากษัตริย์ทำไมยิ่งต้องฝังมีเรื่องมีความผิดยังไงหรือต้องฝังกันนายสุนันท์แกก็บอกไอ้เรื่องมันยาวท่านถ้าอยารู้ก็มาทาไมนะ นี่ไปห่างๆในฉันแย่ขุดฉันย่รีบขุดลุมให้มันเสร็จจะมาเสียกชวนฉันคุยเดี๋ยวดีไม่ลิ้นฟาดเดียเสียมตายหงคนแก่เป็นคนของพระราชาเระทำท่าใหญ่โตสำหรับพระเตมีก็ยิ้มนั่นแต่ต่อไปว่านี่ไอ้ที่ถามนะพญ า, าจะรู้บ้างว่าคนคนนั้นเขาเป็นโรเพระเจ้าแผ่นดินที่จะมาถูกฝัง เขาเท้าเขามีโทษมีความผิดอะไรยิ่งต้ถูกฟังให้คนที่จะถูกฟังทั้งเป็นมันต้องมีความผิดอย่างหนักในสารฐีก็ชี้แจงว่าโทษน่ะไม่มีรอกแต่ถ้าว่าพระราชาขุมานเป็นคนกาเรกิ น, นีเขินทิ้งไม่นานความอุาบาทจัญไรทั้งหลายมันจะเกิดแก่พระราชาและเกิดแก่พระราชาสมบัติและก็เกิดแก่คนทั้งเมือง ฉะนั้นการเสียสละคนกาลิกิ น, นีคนเดียวเพราะหวังความสุขคนทั้งประเทศก็ควรจะเสียสละนีน่สำคัญตอบเก่งพระเตมียนินแกล้งแต่ถามต่อไปว่าคนกาลิกินีนี่นเป็นยังไงนะฉันไม่เคยรู้จักเลยใช่ไหมคนบ้านนอกกนาเนี่ยไม่รู้ไม่เคยได้ยินคำว่ากาลิกิ น, นี นายสันธีก็ตอบ่าไอ้คนไม่ดียังไงล่ะไม่ง้ไปได้เนี่ยไม่น่าจะมานั่งถามคนกาดิกาีก็คนไม่ดีก็ไม่ดีแต่ตัวเท่านั้นมะเลททำชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ดีไปหมดทำบ้านเมืองทิบหายวายป่วงคนในประเทศชาติดีไม่ดีก็ตายทั้งเมืองเอท่านแปลกใจสินะว่าทำไมคนกาดิกาีมันทาให้คนตาย ใช่งั้นไอ้คนประเพร ย, ยุให้รำทำให้รวงประเพรที่คนเขาอยู่ดีๆไปอิสระ <c oughs> แต่ว่ามานันแนะนําให้คนเป็นทาสคนจะกินก็ตามที่เขาจะให้กินจะใช้ของก็ ต, า, ตามๆเขาให้ใช้ภาพผ่อนทอสมัยจะนุ่งตามชอบใจก็ไม่ได้จะเลือกสีอะไรก็ไม่ได้ต้องมีสีตามเขาสั่ง ป่วยใข้ไม่สบายก็ต้องไปขออนุญาตเจ้านายว่าป่วยถ้าเขาบอกว่าไม่ป่วยก็ต้องไม่ป่วยจะไปหาเพียหาน้องที่บ้านใกล้เลนเคียงก็ต้องขออนุญาต <c oughs> แม้แต่ไก่มีที่บ้านตัวตายก็ยังกินไม่ได้ต้องไปถามเจ้าถามนายก่อนเป็นอนุวัติสาภาวะความอิสระภาพไม่มีต้องตกเป็นท้ายเขาด้วยกรณีทั้งปวง คนที่แนะนำให้คนเป็นคนประเภทนี้ทั้งเมืองน่ะคนประเภทนี้เป็นคนการีมีหรือเปล่าความจริงเรื่องนี้พระเตมีคงไม่ได้ถามในชั่วที น, น่าเสียดาแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นมาในสมัยนี้แล้วก็พระเตมีคงจะถามในสาัาวทีว่าคนประเภทยุให้รำทาให้ั่วงสร้างความชั่วร้ายสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั้งประเทศ ต้องการให้คนที่มีอิสรภาพเป็นไทยกลายเป็นทาสคนประเภทนี้เป็นคนกาลริรกนีหรือเปล่านี่พูดไปเขาคงจะเกลียดปากนะเป็นอนวุวาในสารทีตอบว่าไอ้คนกาลรริกีก็คือคนไม่ดีไม่จะทำให้บ้านเมืองชิบหายไวยป่วงคนและประเทศชาติจะปลอยตายไปด้วยนี่เกตอบแบบโมโหโมโหมาให้คนหนึ่ง จะทำงานดันมาซักมาถามไม่ได้ท่านพ่ะเตมีท่านรกระจายดีเห็นแคนในนั่นฉนแค่ไหนเห็นแ ก, นทกนน่ทักฉนฉนท่านก็ยิ้มท่านก็ถามต่อไปไอ้คําว่าไม่ดีเนะี่ยมันเป็นยังไงเอาแล้วที่ตอนนี้ตอนนั่นแกชอบโมโหเอนี่นี่ีน่ น, นอย่ามากโวนกันมากนะเนี่ย นี่ฉันจะทำงานนะจะจะรีบขุดหลุมนี้จะกลับมันจะคํำไอ้ซักไอ้ถามไอ้สงสัยไอนี่มโนดเขาไปพูดกันโนดบนศาลเป็นตุลาการไปซักไปถามไปทนายกันหนดไอ้คนเดินทางอย่างแกนี่จเสียกมาซักมาถามนะมันชักยยงเช่นนี้หนพ่ะราชกุมารคือนรปเตมีก็ไม่ว่าอะไรยิ้มทรงยิ้มสวย แ้่คงมีพระราชนม์ดาดรเรียปรียบถามต่อไปว่านี่ฉันอยากรู้จริงๆนะก็เลยมารบกวนท่านหน่อยนะเพราะอยากจะรู้ถ้าว่าไม่เกินีิสแล้วก็พอคุณนลยกรุณาช่วยบอกด้วยนะว่าเป็นยังไงในคนไม่ดีในเทพสารถีคือนันทะบันเทิงในบันเทิงสารถีก็แล้วกัน เมาอาอย่างนี้นะคอยฟังให้ดีคือว่าพระราชโอรสคือลูกของเจ้าในของผู้สัยคนนี้อ่เกิดมามีลักษณะสวยงามน่าอนดูมากตอนเด็กๆใครก็รักเสียงก็เพราะจริยายก็ดีนิ่มนวลชวนน่ารักน่าชมแต่ภายหลังอยู่ๆเมื่อก็จูจไม่พูดไม่จาแข้งขาก็ไม่ยกไม่ก้าวเอาเฉยๆอย่างนั้นแหละ ใครจะพูดอะไรก็แถมหูหนวกมาได้ยินเชด้วยก็เลยเปลี่ยนว่าเหมือนกระตุ๊กตาตัวโตวๆๆที่เขาตั้งเอาไว้แต่ว่ามีอย่างกินได้ขี่ได้เวลาจะขี่ก็ขี่มาตรงนั้น่ะเลอะเทอะสร้างความลงคันีแก่ชาวบ้านเขาต้องช่วยอย่างนี้แหละเขาเรียกการกินีเนี่ยนนถ้าเลยถามต่อไปว่าพระเตมีถามต่อไป ถ้ามีอะไรอีกไหมเขาก็ตอบว่ายังไม่ก็ยังไม่ยังไงหรอกพระเจ้าแผ่นดินรอมาเวลาสิบหกปีดูคิดมาจะดีก็ไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจครับาาเจ้าเอามาฝังเอามาฝังเสียนี้ขุดหลุมอยู่เนี่ยตั้งใจจะขุดหลุมฝังพระรา ช, ชาแมนท่านเข้าใจได้ยังล่ะ ในสานทีกลับย้อนถามขึ้นมาบ้างแต่เขาก็เกิดสงสัยเพราะได้ยินคําถามย้อนกลับมาเขาก็ถามว่าท่านท่านเข้าใจได้ยังล่ะนะเขากลับถามบ้างแต่ว่าคาถามไม่ได้รับคำตอบได้รับคำถามต่อยว่าท่านรู้จักฉันัหมว่าฉันเนี่ยเป็นใครเอในนั่นมอง มองต้นตะเภาเย็นนิสัยต้นนิสัยเนเทาเห็นท่างาทางสงา่าผาเผยสวยสดมดงามองอาจเที่วพันผ่องใสคล้ายๆกันในเราแต่คงไม่ใช่ในเราแน่พ้นนายเราเปนง่อยให้เราเป็นใบเด็กเขาโอหนวกเลยเขามองอย่างพิจรนารณาแล้วแต่เขาก็จําไม่ได้เพราะผู้ที่เขาเห็นได้ยืนตรงหน้านี่มันไม่ใช่พระราชาจุฬามาพุทธิ์ง้อย เพราะว่านายเราไปง่อยไม่ใช่แน่เมื่อเขามองดูไปดูมาด้วยความสงสัยจึงได้เมื่อท่านท่านเห็นว่านายสารถีเขาแปลกใจแล้วก็สงสัยแต่เขาก็ไม่พูดเขาอิ่งอึ้งเฉยเฉยท่านพระเตมีจีนิกล่าวว่าท่านสารถีมองดูด้วยความสงสัยเลยฉันแยกบรรยากาศให้ทราบก็ได้ว่าฉันเป็นใคร ในสารถีถามท่านมาจากไหนเป็นใครและจะไปที่ไหนกันนะพอคุณยุ่งเหลือเกินนี่จะขดลมให้มันเสร็จสหน่อยก็ถามอยู่เนี่ยเอาประกาศพระสถีนระภายพระเตมียินิกรตาตั่าทัฒนสารถีเราคือเตมีราชกุมารผู้ที่ท่านจะนำฟัง ท่านลองพิจารณาดูทีเลยว่าเราเป็นคนกาละกาอะไรกันนี่หรือเปล่าดูซิเราเป็นง้อยหรือเปล่าหากว่าท่านสงสัยมองไปที่รถสิว่าเตมีไใบเตมีมองง่อยเตมีหุ่นวง่ก็มีอยู่ที่รถหรือเปล่าในสารถีมองไปอย่างสงสัยแล้วก็มองไปที่รถไม่เจอใคร คิดในใจว่าเอพระราชกุมาร น, นี่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะไม่เชี่ยจะว่าใช่ก็ไม่แน่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่แน่แต่ที่รถก็ไม่มีเป็นเหตุให้เตมีตระการกาใหม่ว่าเราคือเตมีราชกุมารเอาฤกของพระเจ้ากาสิกิราชที่ท่านอาศัยเลี้ยงชีพในการเป็นข้าราชบริพารอยู่เวลานี้ จงอยาสงสัยเลยท่านขุดหลุมฝังเรานะี่ยมันเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมท่านจะฝังเราหรือเราฝังท่านเอาสถิตยุงละสิจะทำสงสัยนี่ในสารทีถามว่าทำไมไม่เป็นธรรมเล่าก็เขาใช้ฉันมานมันก็ต้องเป็นธรรมตีฉันเป็นขี้ข้าเขาเป็นเจ้าเป็นนายนี่ถ้าเขาใช้ไม่ธรรมฉัไม่ตายหรือ จวเข้าฉันตายอันนี้ไม่ดีงันดนงินดืนงันโดยนเงินดา ว, ด ว, ดวฉันไม่ได้ก็เสร็จให้เาเตมีก็ตตดว่าเพราะท่านท่านมองดูว่าเราเป็นคนการิกนีหรือเปล่านี่นะตกแล้วก็รับทรงรับสั่งให้มาฟังคนคือเอ า, อานี่ก็แล้วกัน ท่านบอกว่านี่มองดูที่ว่าเราเป็นคนกาเรกินีหรือเปล่าการที่พระราชารับสั่งไมาใั้ฝังคนราคาเรกินีหากว่ า, วาเห็นว่าเราเป็นคนกาเิกินีก็จงฟังถ้าหากว่าเห็นว่าเราไม่ใช่คนกาเิกินีก็จงอย่าฟังเอาเถอะสิในสถีมองถ้าไม่ดีถ้าทางอี้ไหวเป็นเรื่อ ง, งแล้วคิดในใจว่าจริงจรนะิงน่าจริงน่ ยิ่งน้งก็สั่งฟังคนกาเกิ น, นีถ้านี่เป็นคนดีๆเราฟังมันก็ไม่ถูกคิดแล้วเขาก็อึง้งไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกพระเตมีในกล่าวต่อไปว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขา เมื่อมีการครบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆจะไม่มีจะมีแต่ลาบสการะในนั่นฟังเขาเฉยเฉยถ้ากล้าย้อนบนนี่ฟังให้ดีนะเจ้าพูดในฟังว่าพูดใดไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในที่ใดๆก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการครบหาสมาคมกับเขา เมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลาบสกาละพอพูดก็พูดไปนายแลทีก็เฉยเมื่อนายแททีเฉยเึ่งกล่าวต่อว่าถึงจะกล่าวอย่างไรเธอก็ไม่รับฟังหรือก็ฟังไม่รู้เรื่อง ในสารทีเมื่อเห็นไต้ฟังอย่างนั้นก็นั่งมองไปมองมาเขาสงสัยไอ้ลูกนายของเราเองก็ใหม่แล้วกันเมื่อกี้นี่ใบเดี๋ยวนี้มาเป็นไม่ใบซะแล้วสงสัยจริงหยุดขุดหลุมและพิจารณาไกลๆแล้วเขาก็จําได้ว่าเป็นพระจุ ม, มนมานี่ยังไม่รู้เนะนีะยังไม่ยอมเชื่อที่จะนํามาฝังเองเขาก้มงกราบ ที่ท่าพระเตียมีแล้กราบคุณว่าโอ้ข้าพระบาทเป็นคนโง่เขาพระเจ้าค่ะทั้งนายของตนเองยังจำไม่ได้เลยเหมือนกับปฏิหารบรรดาเนี้เกิดไม่น่าเชื่อเลยพระเจ้าค่ะเพราะว่าพระองค์นะ่ะเป็นใบเป็นง่อยมาตั้งนานเวลานี้ท่าทาสง่าพาเผย สวยสดเพ ง, งามก็ปีกเปล่าแบบนี้ข้าพเจ้าอดสงสายไม่ได้มันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อถ้ายังถามว่าทําไมถึงไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าเพราะพระองค์ไม่เคยขึ้นไหวร่างกายมาก่อนตั้งสิบปีอวัยวะควรจะใช้ไม่ได้คนรจะเหี่ยวแห้งไปแต่ว่านี่หาเป็นเช่นนั้นไหมนับว่าเป็นความแปลกประหลาดที่สุดที่เคยเห็นมา อาราบดดาท่านผู้รับฟังท่านหลายวันนี้คงไม่มีคําอธิบายอะไรกันเท่าว่าว่ากันไปว่าเวลาเวลามันก็หมดเสแล้วก็ขอท่านั้หลายโปรดรับฟังในวันต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พุนพ่นผลจงมีเด่ดบนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี